ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP สแผ่นที่8ปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี MP สแผ่นที่8ปให้คติธรรมหัวข้อว่าตันหายะชายตีพยัง โทษภัยเกิดเพราะความอยากอันนี้ก็โทษภัยทั้งหลายเกิดเพราะความอยากคนที่ติดคุกติดตรางโดยมากเพราะความโลภความโกรธสรุปแล้วก็คือความอยากเกินขอบเขตเรือว่าความโลภอยากจะได้ทรัพย์ก็คือความอยากนั่นแหละกระทาให้คนมีโทษภัย เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายถึงจะมีความอยากขนาดไหนก็ตามต้องให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่าให้ออกนอกลูก่นอกทางอย่าให้เกิน เ, เกินงามขอให้พวกเราทุกๆท่านสำรวมกายวาจาใจของตนเองไม่มีใครที่จะตักเตือนว่ากล่าวเราได้ยิ่งกว่าตัวของเราเราต้อง สำรวมกายวาจาใจให้เป็นผู้มีเหตุมีผลให้รู้จักสูงต่ำให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรด้วยอํานาจคุณภระศีรัตน์ไตรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเทอญ